นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้ า, ายเอามือขวางายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกาหนดรู รู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเรา เวลามันออกมันเข้ามันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเราฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเข้าออกนึกขึ้นได้ตั้งสติได้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือมารู้อยู่ที่เดิม คือที่จะหมูกที่เรากำหนดรู้นั่นแนี่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะวางจากความยึดติดทั้งหลายหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆก็จะคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียว จะไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกัน้นไม่ให้จิตเราบรรลุความดีได้ให้คอยเฝ้าดูลมดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออกให้คอยดูอยู่เรื่อยตั้งสติไว้อย่าให้มันเผลอลมหายใจมีอยู่แล้วทุกคนยกเว้นคนที่ตายไปแล้วจึงไม่มีลมหายใจ คอยเฝ้าดูคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรต่างๆนาน า, น า, นาไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือน หรือนึกถึงทราบสมบัติปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรามากอดหรือยังไม่มาเกิดยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วางเสียจากอารมณ์เหล่านั้นจากเรื่องเหล่านั้นให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว คอยดูอย่างนี้แหละใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีเรื่องเดียวคือลมหายใจสติของเราก็จะอยู่กับลมหายใจจะไม่เผลอไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆได้อีกเรียกว่ากิตเรานิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นสมาธิ เบื้องต้นเราต้องหัดจิตของเราที่ไม่เป็นสมาธินี่แหละให้เป็นสมาธิขึ้นมาปกติคนเรามีสมาธิอยู่คือคณิกะสมาธิความสงบนิดๆหน่อยๆให้ฟุ้งซ่านวันไหวแต่ก็เป็นไปได้ช่วงระยะอันสั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นดี คือให้มีสติคอยเฝ้าดูลมระงับความรู้สึกฟุ้งซ่านออกไปได้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าอุปจัละสมาธิ ถ้ากิดวางอารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรคิดนึกเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่สติก็ยังมีอยู่สมาธิก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเราจิตสงบก็มีอยู่แต่ว่าละเอียดมากเหลือแต่รู้ อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสมาธิอันนี้แหละที่จะเอาไปพิจารณาร่างกายตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่มีกำลังพอ เราต้องฝึกหัดไปก่อนหดัดจิตที่ไม่สงบนี่แหละไปเรื่อยๆจนมันสงบจนได้ที่จนมีแต่รู้อย่างเดียวถ้าทำได้ถึงขั้นนั้น<ม>ก็เรียกว่าเราได้สมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจเราจะสงบมีความสุขเบิกบานแจ่มใส ไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเลยเราต้องการให้อยู่กับเรื่องใดก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอันนี้ก็จิตเราเป็นสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นก็ให้ฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าจิตเราสงบละเอียดแล้วหงียสงบดีแล้วเราลองกำหนดดูว่า ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้เรารู้ไว้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้คอยรู้อย่างนี้ เพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็กำหนดรู้ได้ลมกล้องขวางใหญ่โตแผ่สั้นไปทั่วร่างกายของเรา เราก็คอยรู้ได้กำหนดได้เห็นได้อย่างนั้นจริงๆว่าลมไปทั่วตัวของเรารมลมระงับลงแทบจะกำหนดไม่ได้ท่านเรียกว่าระงับกายสังขารก็คือลมหายใจนั่นแหละ หายใจกว้างขวางก็ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้เลยอันนี้ก็คอยให้รวยเรียกว่าระงับกายสังขารลมสงบใจสงบลมนิดเดียวสติ กับใจกับลมอยู่ด้วยกันเราต้องฝึกหัดอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่าทำตอนนี้เลยจะได้ตอนนี้อันนี้แล้วแต่บุญวัสนานิสัยที่ได้อบรมมาแต่พบเก่าชาติก่อนให้คอยรู้ไว้บุญเรามีอยู่ เราได้ทำบุญไว้อยู่เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วยังมีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงอัจถึงธรรมถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเรา เราทำไม่ได้ง่ายๆโอกาสที่จะให้เราว่างมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายคายราวาสมีความเป็นอยู่สลับซับซ้อนยุ่งยากนานับประการที่เราได้โอกาสมานี่ถือว่าเราโชคดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลของเรา เราจะได้เห็นความจริงคือความสงบทางใจเวลาคนจะตายนี่จิตจะรวมลงเห็นเป็นคตินิมิตเห็นกรร ม, มนิมิตกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำไว้ปจะปรากฏให้เห็นในขณะกิจของเราใกล้จะดับ ผู้นกลจะตายเนะลยก็จะละจากขันนนี้นั่นเราเคยทำความดีอะไรไว้บ้างก็จะปรากฏเราเคยไปเห็นอะไรบ้างเช่นไปอินเดียไปเห็นสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมาจากปรินิพานใจเราก็ และลึกถึงที่เหล่านั้นเกิดความโลดสังเวชและลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราตายปั๊บกรรมเดียนี้ก็จะพาเราไปสู่สุคติสวรรค์แต่ว่าถ้ากรรมชั่วเข้าไปประกดในจิตก็จะเห็น ไฟเห็นทุกนาเห็นศัตสาวาสิ่งต่างๆความชั่วก็จะดึงใจเราไปสู่อารมณ์นั้นเราได้ฆ่าวัวไว้ฆ่าควายไว้ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไว้หรือทำบาปทำกรรมอะไรไว้ได้ทำผิดอะไรไว้สิ่งเหล่านั้นก็จะปรากฏ ให้เราเห็นแต่ถ้าลูกเต้าฉลาดก็จะให้แม่ได้รับศีลสมาทานศีลจิตดับลงก็จะไปสู่สวรรค์แต่ถ้า่าไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้กำหนดพุทโธธรรมโมสังโฆไว้ในใจเลยกำหนดถึงแต่เรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเลยเหล่านั้น ใจก็จะยึดไว้ยึดอารมณ์เหล่านั้นไว้ก็จะไปสู่บบยภูมิตกนรกเป็นเปตเป็นอสุรกายสัตดิสานและแต่ผลกรรมที่เราทำไว้จะส่งผลให้เปเกิดเป็นอะไรด้วยเหตุนี้เราจึงฝึกหัดใจของเราให้มีความเป็นหนึ่งแน่ว หรือ่เป็นสมาธิมีความสงบสงดัดมีอารมณ์เดียวไม่วันไหวเราพิจารณาไปเราก็จะเห็นความเป็นไปต่างๆของจิตเราว่าเราพิจารณาเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ เราเห็นที่นาเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายปล่อยวางความยึดถือได้ใจเราก็เข้าถึงความเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาอันนี้เราก็ไม่ตกต่ำกรรมนิมิตก็ดีคตินิมิตก็ดีคตินิมิตก็คือว่าที่จะไป คติก็คือทางไปจิตเราไปยึดถือเอาอะไรไว้อันนั้นแหละหรือว่าปรากฏสิ่งนั้นขึ้นมาที่ใจของเราจิตเราก็ไปยึดถือไว้ต า, ายไปก็ไปตามนั้นไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีถ้าเรื่องดีก็ไปสู่สุขติคือมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เรือกไม่ดีก็ไปสู่ทุกขติก็ลำบากหน่อยทนทุกขทรมานในอบายภูมิผู้ฉลาดจึงคิดหาอุบายฝึกหัดใจของเราให้มีมรรคมีผลให้มีสมาธิให้มีฌานจิตมีกำลังจิตสงบดี แต่การฝึกการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ทำเฉพาะเจดวันนี้แล้วก็แล้วกันไปได้ดีแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่เงินเราต้องฝึกหัดให้ชำนิชนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราเพื่อความบริสุทธิ์ในใจของเราเราต้องหัดทุกวัน ต้องฝึกเข้าสมาธิทุกวันแต่การมาที่นี่ก็มาฝึกเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังกลับไปแล้วก็ต้องฝึกอีกก็ทำอีกให้มั น, นชนานิชานาญคล่องแคล่วว่องไวเวลาต้องการสงบเวลาไหนก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ทันที ทำให้จิตของเราเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดมีเมตตากรุณาอยู่ในใจตลอดไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจฉาหรือเสมีแต่ความเมตตากรุณา จิตมีแต่ความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราทําเป็นทําได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็จะมีแต่ความเมตตาเห็นสัตว์ก็จะมีแต่ความเมตตา จิตใจเบาสบายมีความสุขทำให้มันได้ทำให้มันถึงเราได้โอกาสแล้วอย่าไปคิดคำานึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีศีลแล้วแม้ตายลงในขณะ น, นี้เราก็ไม่ไปสู่ไบยภูมิ ต้องไปสวรรค์นแน่นอนยิ่งเราได้หัดสมาธิยิ่งดีขึ้นไปอีกจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุขติสวรรค์พุ ม, มโลกถ้าฝึกหัดจิตใจของเราให้มันปล่อยวางได้เห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นหน้า ต, ตาคือไม่มีตัวตนสาระแก่นสารในตัวของเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะวางความยึดมั่นถือมัน่นเราจะบรรลุธรรมของพระเจ้าเป็นพระรียอบุคคล ถ้าเป็นพระีิยะบุคคลแล้วกิตใจของเรานี้จะไม่ไปตกต่ำเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเบากายสบายใจตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำไปสวรรค์ไปพรมโลกไปนิพพานเราสามารถไปได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดใจของเราเนี่ยที่ไม่สงบเนี่ยให้มันสงบได้อย่างไรที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นคือวิธีฝึกหัดใจที่ไม่สงบให้เป็นใจสงบและให้รู้ทางความปล่อยวางเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเราเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า การฝึกหัดนี่มีมากไม่ใช่เฉพาะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมใหญ่ลมเล็กก็อะไรต่างๆเ่านีนี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เรียกว่าอานาปานสติสูตร สูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่สิบหกขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติเต็มตามความสามารถหรือว่าเต็มตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี้ทั้งส6บหกขั้นตอนนี้เราต้องได้เป็นพระลรหันในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียว แม้แต่เพียงว่าเรากำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เราก็เชื่อว่าทำกิจสงบได้แล้วถ้าเราทำได้ทั้งหมดทั้ง16ขั้น เ, นเราจะเห็นอันิจังทุกขงังนัต่ชัดเจนในตัวเราเลยเราจะเห็นชัดมาก เราจะเห็นความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งความเป็นสุขทุกอย่างทั้ง16ขั้นนี้ว่าด้วยยังไงขอให้พระมหาภัยบูร์อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไปพิกษุทั้งหลายอนาปานสติอันบุคคล เจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นี้สงญ่ก็อนาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทาให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอ น, นี้สงใหญ่คือเธอในกรณี น, นี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู่ขาก็ามาโดยรอบตั้งกายตรงน้ำรงสติไว้เฉพาหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้า ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่ให้ใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติให้ใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติให้ใจออก เตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ apart, ซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ apart, ซึ่งความสุขหายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ apart. ซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออก โดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมดยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิต ให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกเถ่ยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเถียย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่มทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้า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 วิสุทายอาณาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระดาให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีย น, นี้สงใหญ่อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอาณาปานสติสูตรพระสูตรที่ กล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดทั้งหมดเน่ยเราทำไม่ทันหรอกเราเอาอเพาะตั้งสติไว้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้ว แต่ทำยิ่งขึ้นไปก่อ น, นั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออกยาวก็เห็นมีสติรู้อยู่ตลอดนั่นก็ชื่อว่าไปถูกทางแล้วสามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุง้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลย ถ้าเราสามารถทำได้ตลอดครบถึงสิบหกขั้ น, เ, นเราจะละเอียดมากในเรื่องความสงบและการรู้อริยสัจแจ้งสัดหมดทั้งปวงจะรู้จริงเห็นจริงจะละเอียดอ่อนมาก จิตใจของเราเนี่ยเ็นความสุขความสบายเหลือเกินนี่แหละเราเลือกเอาพระสูตรนี้มาสอนเราไม่ต้องทำหมดทั้ง16ขั้นหรอกทำเฉพาะ 2-3 ขั้นนี่เราก็รู้แล้ว เราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วแม้อยู่ในถ้ำกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกาจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบ หรือความสุขของเราได้พออฉจนร้นให้ทำให้ทำตามนี้ให้สังเกต ด, ดูลมเข้าก็ให้สังเกต ด, ดูลมบอกก็ให้สังเกต ด, ดู ทำอย่างนี้นแหละไปเรื่อยๆวันที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เริ่มต้นพระองค์ก็ธรรมนาปานัสตินั่นแหละจิตของพระองค์ก็สงบลงเพราะพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็ก อายุได้เกียขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุธโธธนะสนมกำนันทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าขออนุญาตไปดูไปดูงาน เห็นไม่มีใครก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายค่อยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไ ป, ไปนี่อำนาจของจิต ท, ที่เป็นสมาธิ ใจสงบวันที่ได้แต่สรู้ก็เอาอาาปานสตินี่แหละทั้ง16ขั้นนี่แหละมาปฏิบัติมารรมทำกีดพร อ, อง์ก็ถึงได้บรรลุวิชาสามอุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหนหลังได้ จูตุปาตยานรู้การอุบัติของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายจูตุปาตยานมียานอย่างรู้ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พุทธโลกไปอยู่ที่ไหน ก็สามารถกำหนดรู้ได้เห็นัต์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารน้อสวรกายาณปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำละออกแก่แก่ได้หมดหรืออย่างอาสวรกายาณ์เดกำหนดรู้กิเลสว่า หมดแล้วหรื อ, อยังก็สามารถรู้ได้ว่าหมดแล้วสิ้นแล้วใกล้จะอรุณขึ้นพออรุณให้แสงขึ้นมาพระ อ, องค์ก็ชำระกิเลสเขาองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งผวงไม่มีความโลภ ค, ความโกรธความหลง ไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังไดเลยโองรู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของโผงทั้งกิเลสของสัตว์โลกนนเราก็เป็นสาวกของพุทธเจ้าเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้านและมาปฏิบัติโองกระทาสำเร็จมาแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของพุทธเจ้าจนเห็นจริงแจ้งว่าจักชัดเจนในใจสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สิ้นกิเลสสิ้นอาสะวะ อาสวะคือฝุ่นละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคือราคะโทสะโมหะสามารถชำระได้หมดสิน้นถ้าเราทำได้เราก็เชื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า พอาพระพุทธเจ้าเรียกคนที่ได้สำเร็จเป็นพระหลานว่าบุตรของเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าคุณนะทำอื่นก็เรียกว่าทายาธรรมทายาคือมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติ อย่าท้อถอยตั้งใจให้เข้มข้นคอยตั้งใจปฏิบัติต่อไปคอยกำหนดรูลมหายใจเข้าออกคอยกำหนดรู คอยกับรู้อยู่นั่นแหละถ้ามันง่วงนอนก็ให้เอารูปเอามือรูปหูของเจ้าของให้มันหายง่วงเอามือรูปหู รูปทั้งสองข้างนะก็จะหายง่วงถ้าเอามือรูปหูมันยังไม่หายง่วงเราก็ปีกไก่มาผลในหูของเราประสาทของเราก็จะตื่นตัวขึ้นมาก็จะหายง่วงถ้าทำยังไงมันก็ไม่หาย มันยังง่วงอยู่ก็ให้นึกออกกลางวันอันนี้เป็นกลางวันมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเดินทางไกลมันเหนื่อยพอมาได้รับอากาศย็นมันก็เลยง่วงนอนอันนี้ก็แก้ไขเอาแต่ถ้าทายังไงมันก็ไม่หาย กลับไปกุตีก็นอนซะเลยแต่ตั้งใจว่าจะตื่นขึ้นเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นเราก็ลุกเลยพมง่วงก็จะหมดไปแปดวิธีโฮติเจ้าสอนไว้ <c oughs>